ความกลัวคืออะไรความกลัวคือการคิดถึงข้อผิดพลาดที่ยังไม่เกิดถ้าเพียงแต่เราจะพึงระลึกไว้เสมอว่าอนาคตของเราเป็นสิ่งไม่แน่นอนเราก็จะไม่พยายามคาดเดาถึงสิ่งที่อาจจะผิดพลาดได้ ความกลัวก็สิ้นสุดลงตรงนั้นแหละครั้งหนึ่งเมื่ออาตมาอย่างเล็กๆการไปหาหมอฟันเป็นเรื่องน่าสยองสำหรับอาตมาเมื่อถึงคราวนัดอาตมาไม่อยากจะไปเลยจริงๆอาตมากังวลจนแทบบ้า เมื่ออาตมาไปถึงคลินิกทำฟันเขาบอกอาตมาว่าคุณหมอขอเลิกนัดครั้งนี้อาตมาจึงได้เรียนรู้ว่าเจ้าความกลัวนี่ทำให้อาตมาเสียเวลาอันมีค่าไปเปล่าเปล่ามปลี่ จะถูกลบล้างไปด้วยความไม่แน่นอนของอนาคตแต่ถ้าเราไม่รู้จักใช้ปัญญาความกลัวจะสามารถเล่นงานเราได้ความกลัวเกือบจะดับชื่อเนนน้อยที่เพิ่งบวชใหม่ๆท่านตั๊กกระแตน้อยในหนังกังฟูที่ฉายเป็นตอนๆทางโทรทัศน์นานมาแล้วปีสุดท้ายที่อาตมาเป็นครูสอนหนังสือก่อนที่จะบวชเป็นพระ อาตมาติดหนังเรื่องนี้มากวันหนึ่งท่านอาจารย์ตาบอดของท่านตั ก, กแต่นน้อยพาลูกศิษย์คนนี้เข้าไปในห้องห้องหนึ่งที่ทายวัดซึ่งปกติจะปิดล็อกไว้ภายในห้องมีบ่อน้ำกว้างประมาณหกเมตรมีแผ่นกระดาน พาดเป็นสะพานทอดจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งอาจารย์เตือนให้ท่านตะ ก, กะแต่น้อยอยู่ห่งหางๆขอบบอ่อเพราะของเหลวในบอ่อไม่ใช่น้ําแต่เป็นน้ํากรดที่แรงมากท่านอาจารย์บอกตั ก, กะแต่น้อยว่าภายในเจ็ดวันเธอจะถูกทดสอบเธอต้องเดินข้ามบ่อน้ํากรด โดดจะต้องส่งตัวให้ดีบนแผ่นไม้นั้นแต่จงระมัดระวังให้มากนะเธอเห็นกระดูกลื่นกลาดที่ก้นบ่อนํากรดมันไหมท่านตกกะกแตนน้อยจะโงกดูในบอ่ออย่างระมัดระวังและท่านก็เห็นกระดูเต็มไปหมดกระดูพวกนี้เป็นของเนรน้อยอย่างเธอนี่แหละ ท่านอาจารย์พาตะกะแต่นน้อยออกจากห้องที่น่ากลัวนั้นไปสู่แสงสว่างที่หลานวัดที่นั่นพระผู้ใหญ่ได้ตั้งไม้กระดานที่มีขนาดเดียวกันเลยกับแผ่นที่พาดอยู่เหนือบ่อน้ำกรดไว้บนอิดสองก้อนตลอดเจ็ดวันถัดมา ท่านตกกะกต่นน้อยไม่มีหน้าที่จะต้องทำอะไรอย่างอื่นนอกจากซ้อมเดินส่งตัวบนไม้กระดานแผ่นนั้น <_ D> เพราะมันง่ายเพียงสองสาวันท่านก็สามารถเดินส่งตัวข้ามไม้กระดานในลานวัดได้คล่องแคล่ว ขนาดมีผ้าผูกตาไว้ก็ไม่เป็นปัญหาและแล้วการทดสอบก็เริ่มขึ้นท่านอาจารย์พาตักระแต่น้อยเข้าไปในห้องบ่อนังกรดกระดูของบรรดาเนนน้อยที่เคยตกลงไปราวกับส่งประกายขึ้นมาจากก้นบ่อ ท่านตักกแตนน้อยขึ้นไปยืนบนปลายด้านหนึ่งของไม้กระดานและหันมามองอาจารย์ท่านสั่งว่าเดินแผ่นกระดานที่อยู่เหนือน้ำกรบช่างดูแค่กว่าแผ่นกระดานที่ลานวัดมากทั้งทั้งที่มันมีขนาดเดียวกันเป๊ะท่านตักกแตนน้อยเริ่มเดินแต่ด้วยย่างก้าวที่ไม่มั่นคงเอาซะเลย ท่านเริ่มจะเสียการทรงตัวท่านยังข้ามไปไม่ถึงครึ่งทางเสียเลยซ้ำท่านก็โงนเงยมากขึ้นมากขึ้นดูท่าว่าท่านกำลังจะตกลงไปในน้ำกรดและแล้วหนังก็ต้องหยุดชะงักไว้ก่อนเพราะมีโฆษณาสินค้ามาขั้นรายการอาตมาต้องอดทนต่อเจ้าโฆษณาที่น่าเบื่อเหล่านั้น ขณะที่เป็นห่วงว่าท่านตะกแตดน้อยที่น่าสงสารจะเอาตัวรอดได้อย่างไรพอหมดโฆษณาพวกเราก็ได้กลับเข้าไปอยู่ในห้องบ่อน้ากรอดอีกครั้งกับท่านตะกแตดน้อยผู้กำลังสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองอาตมาเห็นท่านย่างท้าแบบไม่มั่นคงเอาซะเลยแล้วก็โยกหน้าโยกหลัง แล้วก็พลัดตกตูมลงไปเลยท่านอาจารย์ชราตาบอดหัวเราะเมื่อได้ยินเสียงตูมนั้นมันไม่ใช่น้ำกรดหรอกมันก็แค่น้ำธรรมดากระดูกเก่าๆ เ, เหล่านั้นถูกโยนลงไปเพื่อสร้างสเปเชียลเอฟเฟกมันสามารถหลอกท่านตั๊ ก, กแตนน้อยได้เช่นเดียวกับที่มันหลอกอาตมาสำเร็จ อะไรทําให้เจ้าตกลงไปท่านอาจารย์ถามอย่างเป็นงานเป็นการความกลัวทําให้เจ้าตกลงไปเจ้าตากระแต่น้อยเอยเพราะความกลัวแท้